ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วหมดความเชื่อถือนะว่าพูดจาไม่ตรงพูดจาไม่จริงพูดเลอเลอะเถอะอ่าส่วนสุดท้ายตัวอย่างนะก็คือผลแห่งการเสพของบุญเมาให้โทษนะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นยาบ้ายาอีเหล้าบุหรี่กัญชาอยาเสพติดอะไรต่างๆนะที่มันเป็นของมุญเมาให้โทษหรือว่าอาจจะเบากว่านี้ก็ได้นะอย่างเช่นอะไรพอท่านยกบย่อยๆเรื่องผู้หญิงก็ เครื่องสำอางอะไรต่างๆนะแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรต่างๆจวเวอร์ซาเช่จะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมานก็ไม่ค่อยรู้แล้วเดี๋ยวนี้นะหรือว่าผู้ชายเอา้าผู้ชายอะไรติดการพนันติดอะไรต่างๆที่จะไปเมาในสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้ผลที่จะได้รับคือความเป็นบ้านี่คือผลที่จะได้รับจริงๆก็เห็นชัดๆอยู่แล้วอะก็เห็นความบ้าอยู่แล้วนะก็ทําไมบ้าเนี่ยไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะทําอย่างนั้นอยู่เหรอ เพราะหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นน่ะสิมันถึงได้บ้าอยู่อย่างนั้นน่ยนะจนบ้าถึงขั้นสุดท้ายก็คือบ้าจนนั่นแหละเสียสติอันนั้นนะ่ะบ้าถึงที่สุดแหละเห็นเป็นรูปธรรมออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวิบา ก, กรรมส่วนใหญ่พวกเราจะเข้าใจง่ายๆชัดๆเพราะว่าที่บางทีพระเจ้าท่านตรัสออกมาเนี่ยเราจะเห็นแบบเขาเรียกว่ามุมตรงเห็นแบบง่ายง่า ย, ายไม่ซับซ้อนเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาม า, มากนะไม่ว่าจะในอดีตหรือว่าในปัจจุบันก็ตาม ผลที่ตามมาก็คือทําให้เราอายุสั้นอันนี้ตื้นๆมองเห็นชัดๆเห็นง่ายๆแต่ความเป็นจริงบางทีมันไม่กลับมาในรูปนี้นะเราไปเบียดเบียนเราไปทําร้ายคนอื่นเขาไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยผลมันไม่ได้ต้องมามีใครฆ่าเราโดยตรงให้เห็นชัดเจนบางทีถึงบอกอา่าก็ชาตินี้มันยังไม่มาอย่างนั้นนี่แต่ว่าอื่นๆเนี่ยที่เราจะเจอมันจะเจอก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงชัดแนว เรื่องของวิบากกรรมผู้เจ้าถึงตัดว่ามันเป็นอจินไต่เป็นเรื่องที่อะไรอะยากแก่การคเนคํานวณของคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของวิบากกรรมดีนะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องเข้าใจยากพูด ง, ง่ายมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตื้นเขินเพระเรื<ข>่องอจินไต่เนี่ยนะมันมีอยู่4อย่างผู้เจ้าถึงได้บอกว่าว่าพุทธวิสัยของผู้เจ้าเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้ว บางทีท่านอาจจะทำอะไรในสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านทําอย่างนั้นเน่ยเข้าใจได้ยากนะอย่างที่2ก็คือญาณ น, นวิสัยของผู้ได้ฌานฌนะานนวิสัยของผู้ได้ฌานนะส่วนอย่างที่3ก็คือนี่แหละวิบากแห่งกรรมเป็นเรื่องเข้าใจยากนะส่วนเรื่องที่4ีคือความคิดเรื่องโลกต่างๆนะโลกเป็นอย่างโนนโลกเป็นอย่างนี้กายเกิดก่อนไครใครเกิดก่อนกาอะไรต่างๆกันนะนะ แต่ที่อัตมามาเน้นตรงนี้ก็คือให้เราเห็นถึงเรื่องของวิบากกรรมมันเป็นเรื่องที่อจินไตยหมายถึงว่าลึกซึ้งนแล้วก็เข้าใจยากยากจนบางคนนี่ไม่รู้ว่าจะยอมรับได้ไหมแต่ถ้าเชื่อมั่นในคำสอนของพระเจ้านะหรือว่าพวกเราเอาในชาตินี้เรามาพบพ่อท่านแล้วเราเองเราก็เชื่อว่าพ่อท่านก็ไม่โกหกเราเหมือนกันอ่าพ่อท่านก็ถือศีลปฏิบัติรำ ม, มาอ้าวเราเชื่อ ที่ให้เห็นเลยว่ามีตัวตนมีบุคคลอยู่แล้วท่านก็มีญาณปัญญาท่านก็มาสอนเราว่าวิบากกรรมมีจริงจริงอ่าแต่มันลึกซึ้งอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันไม่ตรงแบบที่ท่านชอบพูดบ่อยๆว่าสมมติว่าไปฆ่าอะไรก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นอาอย่างเช่น<ม>เดี๋ยวไปฆ่าวัวเดี๋ยวไปเกิดเป็นวัวไปฆ่าสุนัขเดี๋ยวหน่อยไปเกิดเป็นชุนัขไปฆานกเดี๋ยวหน่อยเกิดเป็นนกไปฆ่าปลาเดี๋ยวหน่อยเกิดเป็นปลาเตือนตือนกัเลยเดี๋ยวไปฆ่าพระอริยะจะได้เกิดเป็นพระอริยะ ไปฆ่าอารหารันพระอารหารันจะได้ไปเกิดเป็นพระอารหารันมันชักเพี้ยนแล้วนะไอ้ท่าอย่างนั้นนะอา่ามันถึงบอกว่ามันมันไม่ใช่มุมอย่างนั้นอย่างเดียวเราจะต้องเข้าใจลึกซึ้งกว่านั้นอีกอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะมีพระสูตรหนึ่งนั้นะในพระไตรปิฎกเล่มที่14ดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดถึงบุคคลสประเภทซึ่งต้องฟังดีๆนะบางทีนี่เราเองเราถ้าไม่ไม่ไ ม, ไม่ศึกษามาบ้างไม่ฟังมาบ้างเนี่ยชักจะงงๆอ่ะชักจะเมาเมาแหละ แต่ถ้าตั้งใจฟังดีดจะจะรู้เลยเพราะว่าอาตมาพยายามลำดับเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยให้ให้พวกเราพอจะเข้าใจมาแล้วดูนะพูะเจ้าท่านตัดถึงบุคคล4จําพวกนะประเภทแรกก็บอกว่าบุคคลที่มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงอาตมาย่อๆดีกว่านะคือพูดง่ายๆว่าไม่มีศีลหนะบุคคลที่ไม่มีศีลห้ามีความเห็นผิดในโลกนี้ตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรก เป็นอันว่าเขาทํากรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฐิพรั่งพร้อมแล้วสมาทานไว้แล้วในเวลาจะตายเพราะนั้นอันนี้นี่หมายความว่าคนนั้นเป็นคนเลวพูดง่ายไม่มีศีลเสร็จแล้วปรากฏว่าพอตายไปแล้วเนี่ยพูดง่ายคนนี้ก็ตกนรกอันนี้ง่ายบุมนี้พวกเราเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนะนี่นี่คือประเภทที่1ส่วนพอประเภทที่สองปั๊บ เหมือนกันคล้ายๆในทํานองต้นๆเหมือนกันคือก็เป็นคนที่ไม่มีศีล น, นะมีความเห็นผิดในโลกนี้เห็นผิดด้วยนะมิจฉาทิฏฐิพูดง่ายตายไปแล้วเขาเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์นี่ที่ต่างก็ตรงนี้ปรากฏว่าคนนี้ไม่มีศีลแต่ตายแล้วกับได้ได้สุขคตินะได้ไปสวรรค์นะโอ้โหถ้าเกิดมาสอนแบบนี้นี่ตายแน่ๆเลยนะถ้าสอนแบบธรรมดานะชาวบ้านชาวช่องบอกอา้า ทำเลวทำบาปทำกรรมไม่มีศีลแล้วตายแล้วได้ไปสวรรค์เหรอโอ้โหาอย่างนี้ไม่รู้จะไปถือศีลปฏิบัติธรรมทาไมแต่นี่คือความจริงอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ว่าคนอย่างนี้มีจริงๆเนี่ยแม้จะเป็นคนเลวคนไม่มีศีลก็ตามแต่ตายไปแล้วได้ไปสุคติได้ไปโลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะเขาทํากรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังนี่นะเพราะนั้นจะให้เห็นเลยว่า ไอ้ที่เขาตายแล้วก็ยังได้ไปสวรรค์เนี่ยนี่ยังกินบุญเก่าอยู่ยังอาศัยของเก่าที่เขาไปสะสมบุญมาไว้มากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมที่เขาทําในชาตินี้เนี่ยที่เขาไม่มีสีในชาตินี้นะยังยังไม่ยังไมมาทันยังไม่มาถึงแต่บุญที่เขาทําไว้ในอดีตชาติก่อนๆโน้นมาถึงเพราะฉะนั้นชาตินี้แม้คนนี้ตายไปแล้วคนนี้ยังยังไปสุคติยังไปโลกสวรรค์อยู่นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าท่านตรัสให้ฟัง หรือว่าเขามีสัมมาทิฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาก่อนจะตายแม้คนนี้เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีศีลแต่ปรากฏว่าคนนี้กลับได้สัมมาทิฐิได้สํานึกตัวได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาในเวลาใกล้จะตายวันะเวลาใกล้จะตายนั้นเขามีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็พรั่งพร้อมเข้าใจอย่างชัดเจนนะเป็นมรรคเป็นผลของเขาเลยเข้าใจอย่างชัดเจน จนกระทั่งทำให้คนนี้สมาทานคือถือเอารับเอาเลยมีเป็นมรรคเป็นผลอยู่ในจิตวิญญาณคนนั้นจริงๆเลยคุณคิดดูแม้ดีดีขนาดใกล้จะตายนี่นะแต่ว่าพร้อมสมบูรณ์นี่นะพระเจ้ายังตัดว่าคนนี้ยังได้ไปสวรรค์เลยยังได้ไปในสุขตินี่คือได้ไปในทิศทางที่ดีที่ประเสริฐเพราะนี่คือประเภทที่2 อ, อส่วนประเภทที่3คราวนี้นะบุคคลที่เว้นขาดจากบาณาตบาศ พูดยอ่อดดีกว่านะคือประเภทที่เรียกว่าคราวนี้เป็นคนที่ไม่ผิดศีลเป็นคนดีคนดีคนนี้เป็นยังไงพอปรากฏว่าพอตายไปแล้วเขาไปถึงสุคติโลกสวรรค์นะนี้เป็นอันว่าเขาได้ทดําดีให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีสมาธิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นอันนี้เราคงธรรมดาอยู่แล้วไม่แปลกใจอะไรว่าทําดีแล้วตายไปก็ได้ไปสวรรค์ ชัดเจนอันนี้เข้าใจง่ายนะอันนี้เป็นบุคคลประเภทที่สามแต่พอประเภทที่สี่ปับ๊บทันทีเลยเข้อนี้บุคคลนะที่พูดง่ายเนี่ยแหละมีศีลมีศีลห้าเนี่ยแหละเป็นอย่างน้อยนะมีความเห็นชอบเห็นชอบนี่หมายถึงว่ามีความเห็นที่ถูกต้องนะในโลกนี้ตายไปแล้วเขากลับถึงอบายทุขติวินิบาลนรกนี้เป็นอันว่าเขาทากรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไวในการก่อน หรือในการภายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายนี่คือประเภทที่สี่วันหลายคนในพวกเราที่บางทียังคิดตื้นตื้นไม่เข้าใจความจริงอันนี้คิดว่าตัวเองนี่มีศีลแล้วอย่างน้อยๆเราก็มีศีลห้าแล้วหรือว่าบางทีเรามาอยู่วัดแล้วโอ้ยตายไปนี่ได้ไปสวรรค์ได้ไปดีแน่นอนยังเข้าใจผิดนะบอกให้รู้ไว้ยังเข้าใจผิดนะ เกิดชาติหน้านี่อาจจะไปนรกยังจะไปได้วินิบาดนรกต่างๆน่จะต้อง เ, อเนี่ยได้รับอบายเนี่ยเข้าถึงอบายอบายนี่คือความเสื่อมหรือว่าความฉิบหายนายังจะไปทางเสื่อมได้ไปฉิบหายได้ทุกขตินี่ก็คือเนี่ยไปทางที่ชั่วได้อีกแล้วก็วินิบาตก็คือยังจะต้องทุกขทรมานอีกนรกก็คือจะต้องเดือดร้อนใจอีกยังได้รับได้ทําไมถึงได้รับได้ พุทธเจ้ญญาท่านบอกไปเลยได้รับได้เพราะอะไรเพราะคุณยังมีวิบากบาปวิบากกรรมชั่วงคุณที่คุณสั่งสมว่าในชาติก่อนๆเนอ่ยชาตินี้คุณทําดีจริงคุณมีศีลห้า จ, จริงอ่าแต่บอกแล้วว่ามันยังไม่ได้ผลในชาตินี้อะ่ะเออมันยังไม่ได้ผลตอนที่คุณตายแล้วชาติต่อไปมันจะให้ผลทันทีมันยังอะ่ะแต่ปรากฏว่าบาปกรรมที่คุณทําในชาติก่อนๆเนอ่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยต้อให้ทําดีในชาตินี้พอชาติหน้าสวย ไปใช้ผลกรรมพ่อท่านเคยใช้สัมนวนว่ามันเป็นชุดชุดนะคุณมันเป็นชุดชุดกรรมเนี่ยชาตินี้คุณเนี่ยจะมีวิบากกรรมชุดหนึ่งมาพอชาติหน้านี่อีกชุดหนึ่งมันมาพราะงั้นคุณอย่าไปคิดตื้นตื้นาคุณทําดีแค่ชาตินี้พอแล้วเดี๋ยวชาติหน้าคุณได้สบายแน่นอนคุณอย่าหลงผิดอย่าไปเข้าใจผิดไม่หรอกยังไม่มากพอหรอกคุณยังไม่มากพอคุณจะพ้นวิบากกรรมพวกนี้ได้บอกแล้วคุณต้องทํานิพพานให้ได้เท่านั้นเอง คุณต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ให้ได้คุณถึงจะหนีพ้นวิบากกรรมต่างๆได้แต่ถ้าคุณทําไม่ถึงอันนี้แล้วคุณต้องกลับมาเกิดอีกชุดต่อไปรอคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นสํานึกและระมัดระวังตัวเองให้ดีนะอย่าอย่านึกว่าแค่นี้เราดีแล้วคุวณศาสนาพุทธนี่พระเจ้าถึงได้สอนไว้เลยว่าไม่มีการหยุดอยู่ในกุศลแลธรรมเพราะเหตุนี้นี่แหละเพราะเราไม่รู้จริงๆ ว่าชาติก่อนๆ น, นูน้นโหไม่รู้ไปทําเลวทําร้ายไปปิดศีลหรือว่าไปทําเราเรียกว่าอนันตริยกรรมไว้หรือเปล่าคือไปทํากรรมหนักไว้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกับพระโมคคลลานะเนี่ยในอดีตชาติเคยไปทํากรรมหนักไว้ท่านก็ต้องมาใช้ต่อให้เป็นพระรหันต์ก็ต้องใช้เห็นไหมก็ต้องโดนเ้าฆ่าเหมือนกันเพราะเราเองเราประมาทไม่ได้เลยเพะะันที่เอาเรื่องวิบากกรรมมาพูดใ ห, ให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิด นึกว่าทาดีแค่นี้แล้วสบายแน่นอนคุณอยา่าคุณอย่าคิดตื้นตื้นง่ายๆอย่างนั้นความจริงแล้วนี่มันมันยังมีที่จะต้องเจออีกเยอะเลยทีเดียวนั้นพระเจ้าเนี่ยนะท่านก็เลยสรุปว่ากรรมที่ไม่ควรนะส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีนะกรรมที่ไม่ควรเนี่ยให้เห็นว่าควรก็มีและกรรมที่ควรแท้ๆส่องให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มี เพราะฉะนั้นนี่แหละมันสลับซับซ้อนอย่างนี้บางทีเราดูด้วยตาตื้นต้นง่ายๆแล้วว่าเออเราทำดีอย่างนี้มันน่าจะดีกับมันอย่างนี้แต่มันไม่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดง่ายๆเพราะเรื่องพวกนี้น่ามันมีตัวอย่างมาแล้วนะอันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่24ี่น่มีชื่อว่ามิกะสาราอุบาสิกาคืออุบาสิกาคนนี้เขาไม่ยอมรับฟังพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้า เนี่ยพยากรณ์หรือว่าตัดเอาไว้นะเขารับไม่ได้เขาบอกว่าเอ๊ะผู้เจ้าพูดอย่างนี้พูดไม่ถูกผู้เจ้าท่านตัดอย่างนี้นี่ถือว่าตัดผิดก็คือตัดเรื่องของวิบากเนี่ยแหละว่าตายไปแล้วคนนั้นคนนี้จะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคือคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็พอดีพระอนนน์นี่ไปบินธบาตพอบินธบาตเสร็จใช่ไหมเาก็เลยบอกกับพระ อ, อนนน์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าข้าแต่ท่านพระอนนน์ ธรรมะนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายภพหมายถึงว่าสองคนเนี่ยคนหนึ่งพูดง่ายว่าประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วพอตายไปแล้วชาติหน้านี่ทำไมแล้วไปได้ดีเหมือนกันเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะได้ดีเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเนี่ยบิดาของดิฉันชื่อปูรณะ นะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมะของชาวบ้านท่านได้กระทํากาละไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าจะเป็นสักกาคามีบุคคลผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยพ่อของของผู้หญิงคนนี้บอกว่าประพฤติพรหมจรรย์ถ้าตายไปแล้วนี่เนี่ยได้เป็นพระสักกาคามีนะส่วนคราเนี้บุคคลชื่ออิสิทตอาอิสิทตานี่ก็เป็นเพื่อนกับพ่อของเขาเนี่ย น้าไม่เป็นผู้ประพฤติโภมาจันแต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาก็ทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสักกทาคามีบุคคลนี่เขายอมรับไม่ได้เลยบอกก็เห็นชัดๆเลยเห็นกับตานี่แหละแล้วก็เป็นจริงด้วยคนนั้นพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าคนนั้นถือแค่ศีลห้านะสมมุตินะเพราะว่ายังมีภรรยายุ่งเกี่ยวกับภรรยาย อ, ยอยู่อย่างเงี้ยเอาคนนั้นถือศีลห้าอา้าวตายไปแล้วนี่บอกว่า ไปได้เป็นสกิทาคามีเอาส่วนอีกคนนึ่งบัคคุยพรมจันท ร, ร์สมมติว่าถือศีลแปดขึ้นมาแล้วนะปรากฏว่าเอา้าตายไปแล้วก็ได้สกิทาคามีโอ้ลูกสาวเขาไม่ยอมรับเลยบอกผู้เจ้าพูดอย่างงี้มัน ไ, ไ, ไม่ถูกแน่ๆเสร็จแล้วก็เลยพระอานุ์ก็รับฟังไว้พอกลับจากบินทบาทมาแล้วก็มาเฝ้าพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าวันนี้เนี่ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาบอกอย่างนี้แหละพระเจ้าก็เลยบอกว่าพูดกับอเออพระเจ้าก็ตัดกับพระอนุนนะดูก่อนอานน์น กมิกขะสาราอุบาสิกาเป็นพานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบนะนางเป็นอะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในัยาณเครื่องกําหนดรู้ความยิ่งและความหย่อนนะแห่งอินทรีย์ของบุคคลทูตเจ้านี่ฟันโครมลงไปเลยบอกว่านั่นแหละอาตมาขอใช้ง่ายๆนะก็เรียกว่านางคนนั้นแล้วกันนะบอกว่านี่แหละนางคนนั้นน โง่จะตายไปพูดภาษาชาวบ้านโง่จะตายไปไม่มีปัญญาไม่มีอะไรนางคนนั้นเป็นใครแต่เรานี่เป็นพุทธเจ้านะพูดง่ายๆเราไม่ไม่ใช่พุทธเจ้าธรรมดานะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นพุทธเจ้าที่มีสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่ถูกต้องนะรู้จริงเห็นจริงนะบอกว่าโทษเอ้ยนางคนนั้นจะไปรู้อะไรอ่ะเรานี่ยสิรู้จริงนะเสร็จแล้วก็เล่าต่อเลยบอกพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า มีบุคคลอยู่1ส10 ป, ประเภท10ประเภทพวกนี้คือนะเราลองฟังดูคือคนที่ทุศีลคือจะเป็น ค, คู่คู่แรกนี่จะเป็นคนทุศีนนะคนทุศีลแต่ว่าพอเป็นคนทุศีลแล้วเนี่ยไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคล น, นั้นไม่กระทํากิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทํากิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตร ไม่แทงตลอดด้วยแม่ไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฐิย่อมไม่ได้บีมูดแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญนะอันนี้พูด ง, ง่ายง่ายอัตมาสรุป ง, ง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ไม่ไม่มีศีล น, นะทุศีลนี่จริงจริมีศีล แต่ว่ามีศีลแล้วชอบทําผิดศีลอยู่เรื่อยๆชอบทําผิดศีลอยู่บ่อยๆเป็นประจําเสมอๆเลยนะนี่เขาเรียกว่าคนทุศีลเพราะนนั้นคนที่มีศีลแบบเนี้ยนะแต่เป็นคนที่ไม่พูดง่ายไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองไม่รู้ว่าการที่จะหลุดพ้นเนี่ยเจโตวิมุตต์เนี่ยหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะทําจิตให้หลุดพ้นไปได้ยังไงปัญญาวิมุตต์ก็หมายถึงว่าไม่มีสติปัญญาที่จะวิปัสสนาหรือว่าพิจารณาที่ ให้หลุดพ้นจากกิเลสมาได้ยังไงนะคนที่ไม่รู้อย่างนี้แล้วก็เป็นคนทุศีนด้วยเสร็จแล้วยังไงตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะคือคนนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าไม่ฟังธรรมด้วยไม่มาศึกษาไม่มาใฝ่หาความรู้ไม่มาเป็นพระหูสูตรต่างๆนะเพราะฉะนั้นคนนี้นี่ถ้าตายแล้วเสื่อมอย่างเดียวไม่มีวันเจริญนะมีแต่เลวลงไม่มีว่าดีขึ้นนะนี่ประเภทที่หนึ่ง ส่วนประเภทที่สองนะเป็นคนทุศีลเหมือนกันแต่คนทุศีนนี้นะต่างกันตรงที่เรียกว่าคนนี้รู้ในเรื่องของเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์แค่รู้นะไม่ใช่ทำได้ยังไม่ได้ทาได้แต่แค่รู้หมายถึงว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วรู้ว่าเออจะทำยังไงที่จะทำให้กิเลสมันลดลงหรือว่ามันหมดลงไปได้แต่ว่ามีแค่ความรู้เท่านั้นไม่พอรู้แล้วก็มัน เข้าหาผู้รู้มันฟังทำอ่านะซึ่งเหล่านี้แหละพระเจ้าถึงบอกว่าบุคคลประเภทที่สองเนี่ยนะรู้แล้วแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วคนนี้เมื่อตายไปเหมือนกันคนที่จริงจทุศีนเหมือนกันนะเป็นคนทุศีนเหมือนกันคือยังผิดศีลบ่อยๆอยู่เหมือนกันแต่คนนี้เมื่อตายไปแล้วกลับจะไปสู่ทางเจริญจะไม่เสื่อมลงกลับจะจะไปสู่ทางที่จะสูงขึ้นนี่คือคือแง่คิด นี่คือความแตกต่างนะอาตมาอาจจะต้องพูดเร็วขึ้นนะตอนนี้พอบุคคลประเภทที่3กับที่4จะคู่กันอีกนะคู่นี้ก็คือผู้เจ้าบอกว่าเป็นคนที่มีศีลแล้วต่างกันตรงที่เรียกว่าคนที่มีศีลนะแต่ไม่รู้ยังไม่ไม่เข้าใจไม่สัมมาทิฐิในเรื่องของเจโตวิมุตติในเรื่องของปัญญาวิมุตติไม่รู้ว่าจะลดละกิเลสอย่างถูกต้องยังไงไม่หมั่นฟังธรรม นไม่ม <Okay. S 3> ันศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะต่างๆคนนี้ตายไปแล้วก็เสื่อมนี่มีศีลนะต่อให้เป็นคนมีศีลให้ชัดเลยตรงนี้ฟังให้ชัดต่อให้เป็นคนดีนี่แหละเป็นคนมีศีลนี่แหละแต่ถ้าคุณยังไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคุณไม่ไม่ฟังเทศฟังธรรมนะคุณไม่ ศึกษาไม่พยายามพิจารณาให้เข้าใจเรียนรู้ต่างๆแล้วคุณยังตายไปแล้วคุณยังจะไปเสื่อมคุณไม่ได้ไปสุคติพูดง่ายๆคุณยังจะไปนรกอีกต่อเมื่อถ้าเป็นคนที่มีศีลแต่เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะชัดแล้วเราก็ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วเราก็หมั่นเอาไว้ประพฤติปฏิบัติต ด, ด้วยคนนั้นตายแล้วจะไปสู่เจริญนะนี่เป็นคู่ที่สอง อ่าส่วนคู่ที่3ก็คือประเภทที่ห้ากับประเภทที่6ประเภทนี้ก็คือผู้ที่มีราคะมากนะท่านใช้คาว่าราคะกล้าเพราะจะทํานองเดียวกันคือคนนี้มีราคะจัดจ้านเหลือเกินแต่ว่าคนนึงเนี่ยยังไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้แนวทางการปฏิบัติที่จะลดลลกิเลสไม่รู้เจโตวิบูิไม่รู้ปัญญาวิบติไม่ฟัไม่มันมาฟังทำ คนนี้ตายไปแล้วเสื่อมตายไปแล้วเนี่ยไปหมายถึงว่าไปเกิดใหม่ก็เสื่อมอ่ส่วนอีกคนหนึ่งมีราคะกลา้าราคะจัดจ้านเหมือนกันแต่คนนี้มีสมาธิฏฐิแล้วมีความรู้มีความเข้าใจขึ้นมาแล้วแล้วก็มันมาฟังธรรมเพราะดูรูปแบบภายนอกแล้วมันเหมือนเหมือนกันใช่ไหมสองคนนี้แต่เพราะตายไปแล้วเนี่ยต่างกันเลยอีกคนหนึ่งจะไปสูงอีกคนนึงจะลงต่ำนะแม้แต่คราวนี้ นะคู่ต่อไปพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้จะเป็นคนมักโกรธก็ตามจะเป็นคนฟุ้งซ่านก็ตามนะนี่ไม่ว่าจะสายไหนเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนมักโกรธเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่จะต่างกันตรงประเด็นที่สำคัญก็คือตรงที่เรียกว่าถ้าเขาเป็นคนที่รู้นะเข้าใจในเรื่องของปัญญาวิมุตตเจตวิมุตตนะตามความเป็นจริง เสร็จแล้วเขาก็เนี่ยนะ้กำกระทากิจด้วยการฟังนะกระทากิจด้วยความเป็นพ้าหูสูตรเนี่ยแทงตลอดด้วยทิฏฐิเนี่ยคือการมีมีการพิจารณาจนเข้าใจชัดเจนถ้าอย่างนี้แล้วนะคนนั้นตายแล้วนะจะไปในทิศทางที่สูงขึ้นจเจริญขึ้นแต่ถ้าใครไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้นะยังมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่บางทีดูเหมือนเข้าใจนะดูเหมือนรู้ แต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงๆในการใช้ชีวิตปฏิบัติตัวปฏิบัติตนจริงๆของคนนั้นมันมันไม่อ่ะมันยังปฏิบัติแบบมิจฉาทิฐิมันไม่ปฏิบัติให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิจริงเพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยถึงที่จะแบบว่าสูงขึ้นจเจริญขึ้นได้ซึ่งในอันนี้เนี่ยพระเจ้าท่านสรุปไว้ด้วยคําสั้นๆนงางท่านบอกว่าบุคคลที่ดีกว่าแล้วก็บรรลุดีกว่าเนี่ยคือผู้ที่ รู้ใจตัวม่มดุดปัญญามิมดุดต่างๆได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอะไรต่างๆนี่นะท่านบอกว่าที่ดีกว่าแล้วก็เหนือกว่าคนประเภทนั้นก็ตรงที่ว่ากระแสะแห่งธรรมย่ำถูกต้องบุคคลนั้นนะกระแสะแห่งธรรมหมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยในจิตปัญญามีสิ่งเหล่านี้นะอยู่ในจิตปัญญาแล้วนะเป็นเหมือนกับมรรคผลเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะทําให้เป็นเชื้อจริงๆแท้ๆตามความเป็นจริง ที่คนนั้นเนี่ยจะเอาไปใช้ได้ต่อไปนะในชีวิตของคนนั้นวพนันวันนี้เนี่ยเจตนาธรรมาก็เพื่อที่จะให้เราฟังเรื่องของวิบากกรรมนะเราก็จะได้เข้าใจให้มันลึกซึ้งชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะได้เตือนสติเราเราเองเราจะได้นะําไม่ประมาทในชีวิตวันาะพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่นะท่านจะปริพานน์นะท่านจะท่านจะตรัสสิ่งที่สําคัญที่สุดฝากไว้ให้กับภิกษุหรือว่าให้กับพุทธบริษัททั้งหลาย นะท่านจะตัดตรงที่เรียกว่าอย่าประมาทเพราะนกึกหวังว่าพวกเราทุกคนนะคงไม่ประมาทนะเราไปสั่งสมบุญกุศลให้มากเข้าจนกระทั่งเรามีวิบากบุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในชีวิตเรานะให้มากที่สุดชาตินี้เกิดมาให้คุ้มค่าพ่อท่านจึงใช้คำว่าทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญนะวันนี้ก็คกงแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้